ทรงอนุญาตอากาละจีวรลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมมีกถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าเราอนุญาตให้รับผ้าที่เป็นอากาละจีวรแล้วเก็บไว้โดยมีความหวังว่าจะได้ผ้ามาเพิ่ม498ต่อมาภิกษุทั้งหลายทราบว่า พระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตให้รับผ้าที่เป็นอากาละจีวรเก็บไว้ได้โดยมีความหวังว่าจะได้ผ้ามาเพิ่มจึงรับผ้าที่เป็นอากาละจีวรนเก็บไว้เกินหนึ่งเดือนผ้าเหล่านั้นถูกมัดรวมเป็นหอ่อๆแขวนไว้ที่ราวท่านพระนลเที่ยวไปตามเสนาสนะเห็นผ้าเหล่านั้นถูกมัดรวมเป็นหอ่อๆแขวนไว้ที่ราวจึงถามภิกษุทั้งหลายว่า ผ้าเหล่านั้นถูกมัดรวมเป็นห่อๆแขวนไว้ที่เราเป็นของใครภิกษุทั้งหลายตอบว่าผ้าเหล่านี้เป็นอากาลจีวรนพวกกระผมเก็บไว้โดยความหวังว่าจะได้ผ้ามาเพิ่มพระอานนท์ถามว่าเก็บไว้นานเท่าไหร่ภิกษุทั้งหลายตอบว่าเก็บไว้เกินหนึ่งเดือนครับพระอานนท์ตำหนิประนามโพนทนาว่าชไนภิกษุทั้งหลายจึงรับผ้าที่เป็นอากาลจีวรน